เอาในช่วงเย็ น, น, นเนี่ยก็ปูวัลเทศจะมาพูเดเล็กๆเลยน้อยช่วงเย็นวันที่ยี่สิบสามวันเสาร์พอดีเราก็จะมาโปพบกันส่วนร่วมในส่วนที่ทำวัดเย็นส่วนกานวันก็ไปอยู่ตามกลุ่มกลุ่มไผ่กลุ่มมั่น เดยก็หอกอ่อหนตาก็ยินช่วงใบก็แบบอยู่ในปาอัตมารือศอกบ่อเลยเดี๋ยวจะมาพะนั่หาไม่ออกหรือศอกบ่อเลยยักผ้ากันเหีตัวโ้ากันท่อบหูจัตอกอ ย, ยู่ในปาไัยป่ากรคงขึ้สีบอ่อไปรักรับดอกผู้นลักเข็ดขนาดก็ดีขึน้นกันอัตมาก็อยู่เดินอยู่ทั้งหนอก สุ้มหนึ่งอะอยู่ทางในหอมไผ่หอมไ ม, ม้ก็เย็นอยู่ในประโยชน์เราจะตั้งใจอันควมตั้งใจว่ามีที่หลับว่ามิที่แกงอยู่บางใดเขาก็ตั้งใจอย่ามองนั้นตามลมไม่ปีดบังตาอยู่ในใจก็จางเป็นภูที่มีควมละอายอยู่ในใจบอกกะว่าเรื่องต่อหน้า ตอนหน้าเป็นแักพักหลับหลังเป็นแักแพงเงินนจ๊ะแต่คงสีโบเป็นเรื่องสั้นพวกงานพวกโยมห้องพวกนักปฏิบัติธรรมคงจะเอาใจใส่โดยเฉพาะกับบริจัดกลุ่มให้ถือว่าสะดวกครูบาอาจารย์เท่าก็บประจำกลุ่มกลุ่มพระกลุ่มเน้นกลุ่มแม่ขีกลุ่มแม่ขาวกลุ่มแม่ดำ ทั้งกายทงดำกลุมพอดำกัมี่กลุมพอขาวมันนะรวมกันทำกิจกรรมเป็นหนักปฏิบททัติธรรมเป็นหนักเจริญสติเตุอะพรามันเยมือมันถ่ายูบาอาจารย์เห็นผู้บาอาจารย์ก็มันมันจะไ น, นั่งพอรงน่องเลยเหตุคือกันเดินโยงกลมสา่งจังหวะเมือ่อนั่นกันเลิกก็เลิกร่วมกันเขีข่ยงคู่กันไป ถามว่มันยางใกล้กันได้รอยางใกล้กันเยอะมันยังมัมันง่วงง่ามคููยางเทียบเทียนพววพววทั้งขาวทั้งเหลืองเลยไกลกันยิดอกคงสีพวกไก่กันไม่นด้หรอกงื้นเราไก่เอาติดลองปลาห้องติดงปลารองปูห้องข้องสีพวกไก่พว ก, กไก่ <c oughs> พอไก่ทั้งกายยังไกท่กทั้งปฏิบัติคือร่วมกันพูนหนึ่งสร่างจักวะพูนหนึ่งเดินจงกรมคิดทอดยังชิดท อ, อดสมัยหนึ่งเตีปฏิบัติเห็นพวกคอพูกแม่ห้องคนักปฏิบัติเอาใจใส่ดีดีดสมัยทีกี่ปฏิบัติหนึ่งสิแล้วต่างคนกับตัางถ้ำต่างคนกับตั้งเห็ดกลมหนากลมตาลูจักหนาที่มีอันใดมากขึ้นมาคุยกสู้กันฟังก็แกได้ก็แกได้แกว่าได้ก็ครับไปมือไม่ บางคำบางเข้ามันเกินเกินวิสัยสิไปแก้ให้ก็มีคือกันเลยเพราะว่าเาก็เป็นผู้เดินข้างคือกันเห็นมาคูบาอาจารย์ว่าได้ก็พันว่าได้ซื่อเลยการปฏิบัติกับทัเหมิดด้บัณฑิหมดกิเลสคือกันซุ้มมีกิเลสแล้ววอกซูกันฟั่งสาฟั่นเทิดพราันไงเข้าก็คงคุ้นเคยั้ฟังเราคือว่าซุมแต่เข้านี่แ่ะ มีไในกระว่าเตือนกันเนี่ยมันถูกกันนี่มันผิดกระว่ากันเตือนกันต่างคนก็ต่างรูต่างคนก็บต่างขวัใจมาร่วมกันร่วมกันแล้วก็ปรึกษากันว่ามันถูกหรือไม่ผิดขันว่าผิดกับฟังมูเนียอย่าทะลุตัวกลั่งอย่าดันฟังมูนบ่ถือมันผิดตัวตัวนี่ถึงจะคล้องเทว่าถือกับจังเมื่อวันผิดก็ผิดไปซะวัน นี่คือตัวแก่นั้นบางครั้งมางข้าวเขบาบ่กใครสั้งเลยเพราะน้ำมันพิดมันผิดเควาะมันดันเพื่เดียวความมันถูกอยังสีก็อาจจะแก้ยากอยู่เด้อแกะยากคู่แกะ ง, ง่ายกับข้องสีครูบาอาจารย์ว่ามันผิดมันบอถูกเพียรไม่ทำไมเราก็ปรับตัวขึ้นมาเพียรไม่ทำไมแก่ไม่ผิดเราแกะกัดแกะกัดแกะ กับไม่แก่ตัวเองแก่กันแก่อารมณ์แก่อารมณ์ก็แก่เอาจากของไงครูบาอาจารย์มันก็บอกไปซื้อบางครั้งมันเข้าร้องพอกันหลับค่ยกันในนอนบอกนั่งนั่งแตงช่างวะพี่แม่นั่งไร่เหียบพอกรักคุยกันในน้องพอกไนเลยกาใหยเหรอแน่เพราว่าเราก็มีกิเลสขึ้นคำเข้านี่แหละปุตุชนคือกันปุตุชนเกลือภูไฟหาคว่ำลูก มันพูดหนาเด้ปูตุชนไปมาผู้ไฟหาควอมูลเลยมาว่านนาอันคือแปลงผิดมแมงเขาว่าว่าไอ้สุดอดอกปูตุชนแปเอาผู้ไฟหาควอมูลปูมีกิเลสอยู่ยังมีข้อมอยากอยู่ยังอัตนายังมีกิเลสผอมมุ่นยากอยู่ได้หรอยากคือกันบางครั้งบางคราวมันอัดิดพลาดผิดพลาดไปแล้วครับก็คือว่าเป็นธรรมดา อย่าไปว่าพนโอ้สอนจะเพื่อนนั่นแล้วต้นกับล้วพอถ้าเปนนั่นหละจั๊กถ้าเป็นไรอย่างงี้ยพอเป็นนั่นต้นนั่นอ่ะอัวใจเปันตาคืออานั่นแทอจักคืออย่างเงี้ยมันต้องเอย่างเงี้ยคือย่งก็ะตะวะผมเห็มันคือกระโดดเลยนึกว่าคือนั่นน่ะจั๊กคืออย่งถิ่มันหาไว้คืออันนั่นแหละถือว่าให้อภัยให้อภัยกัน บางขรังมัเข้าลงพอ่อลงปูหอก ก, ก็เถ่าพื้กันจนเจ่งไว้ได้ผนมาใส่กันถ้าเพื่ปฏิปบัติธรรมตากแดดตากฝนฝ น, นบางท่านตกดอกตุ้ยฝนตกปีนี้อาจจะปวตกเมื่อที่ตกกระเ บ, บจักบัตรแล้วง่ามเทียตากแดดตากลมน้ากันบางคั้งมาเข้ามันกับผิดพาดให้อภัยกันไปท่านยังว่าเขตอภัยาภทานเนี้ยเนาะเขียนไว้เห็นอย่างนั้นปะ เหตเอาไปยาท่านก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน้างครังมาค่าก็พิดพลาดรักกันดีกว่าสั่งกันคนละรักกันดีกู่เกียดกันดีกว่าสั่งกันดีนั่งกันมันดีกว่าบ่ดีนั่งกันเรื่องแด่ก็ฟซังทำมาปฏิบัติท่านขึ้นกันนีะดีไม่ใงี้แล้วนอนลับเออดีอไม่เงี้ยนั่น ห็กินมาดโอ้ ด, อดีแม่นบอกเป็นหลวงพ่อดีเนี่ยบ้างเป็นพ่อญายดีเป็นแม่เป็นแม่ดีเนี่ยพ้างพญ่ดีแม่ยา่ดีนเนี่ยบ้างดีมั้หลวงพ่อกับหลวงพ่อดีอมาเขา้ามีหลงค่งง อ, อหนึ่งหลวงพอดีอ้ายหึห้องไห่เมียใสยไห่เป็นห้าหลวงพอ่อม หลวงพอ่อหลวงพอ่อเมียผมไายให้ดีหลวงพ่อเราว่าดีจริงเลยเมียผมไก่เลยมันจะได้เมียใหม่เราว่าดีมันจะได้เมียใหม่เลยแมนดิเมียไก่เอาเมียใหม่ลูกไก่เห็ดเอาใหม่พ่อเมียายเห็ดได้ป๊พ่อก็เมียาย่เห็ดเห็ดได้ป๊บ่ได้เมียตายผัวพอใหม่ ท่านก็ดีอยู่นแล้วขอาว ม, ามันพอข้าว ม, มันพอพ่อหน้าพ่อเลี้ยงได้ทันแลวฉะนั้นพ่อแม่จึงมีผู้เดียวผู้ที่สองก็เป็นผู้ใหม่เป็นพ่อหน้าไปพ่อหน้าพ่อเลี้ยงแม่หน้าแม่เลี้ยงไปนี่วันหน้าพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรท่านลย่าเป็นทิดเบื้องหลังทันแล้วฉะนั้นปกครางหน้านี่คิดถอดพอ่อคิดถอดแม่บ่ ได้กินสิ้นตอนหาได้กินปลาตอนใหญ่ได้ยูดีกินดีเอาไปตัวหลอดอติเนี่ยก็จริงยอยู่เอาไปตัวหลอดแต่บางครั้งหมองข้าวมันก็ลืมในขี้เกดลืมสภาพว่าดีในส่งเข้ามาบริขิบได้คิดอีอนั่งเนี่ยเขาบด้หารปลาบริสืขออาหารทริปของทริปต่างเล่นกันเซไล ถึงเวลาเป็นก็เห็นสัญญาตีละครั้งปึ้งปึ้ง้งป้งึ้งได้เข่าแถวได้ถวยได้ส่อนตัดโมมีพลังยั่งพวกเนี่ยวกง้อมันอุปธรรมมาเลียนรู้ปูเสือเฮ้าเราหลับความอุปธรรมแล้วเดีเติมน้มันแล้วมันโบวิ่งนก็รถถังกัน้มันบอกันโบวิ่งขันโบแลนรถถังของถังกันเรียบร นี่ข้าวโพดขวนชิดข้นปีนีผขอพีเจรนาเข่าเ่ละเม็ดผึกแต่ระเม็ดมะเขือเ่ละนวยกล้วยเะเทระวีร่องด้มากจังไลยพักเ่ละพักต่ละอันเนี่ยขัน้าวาชิดขันฮาวติกต่องมันก็อาจผิดเป็นผู้เริ่มก็ได้ กินแล้วนอนกินแล้วนอนคือหมูผักดางนเนี่ยอันพูดยิ่งกวอีดานบลูกขึ้นดวเสือซเสื้สาเห็นบะลูกขึ้นใาย่างถกท้อถกถอยไอ้คนเนี่ยแต่เาต้องเสิมอีกหน่อยแค่นั่นแหละเป็นยังสั่นเลนี่แจ้ววันให้งย่างเมื่อห่ย่างถกทถกถอยแห่ย่างมีสติ กินเหบ่ใไหนอนกินล่าไหสูนน่กักบค ว, วมงวงควบงวงควบเ้าควบเมยสู่กับควมเมา อ, อาหารอาหารในเมาเด้กินลหลเมาเล้เมาขึ้น เ, เหล่าอีกตอ่อเมาขึ้นเหล่าอีกครับ ม, มื่กินอาหารในเย็ยไนไม่นั่งในใจหอมไม่ซัดหน้าซัดหลังเาววกเวกววกเวกย่างเส้นใส่เส้ัวเมาอาหารทบุตรเจ้ากระเมาอาหาร เป็นผู้ประมาทได้เคยกันเนี่ยมัดชะไปว่าของเมาอาหารนี่เขาก็เมาเคยกันเมาในอาหารกินแล้วมันง่วงกินอะไรมันอืดบรรทุกหลมันก็อืดมันนัดยังรถบรรทุกหลายหลรถหกล่อบรรทุกทั้งมันก็รถสิบล้ออืดทัล้วมันนี่ยอืดทันแล้วเป็นข้อที่นั่นน่ะบอยจากยางบอยจากตื่นบอยจากฟุ๊บบอยจากลุกสนนนี่คือคนเราบ้างให้กันบางครั้งมาข้าวข้างกัน การไปจักอาหารกับตรงมีสติเป็นพ่อเม่ว่าจะไปดูควอมอยาดไปดูข้อมนัดการมาดเวลาสิจนว่าธรรมะของบุพเทเจ้าเป็นอาการีโกบระกอบโดยการบุพกอบโดยเวลาฉะนั้นการไปตักอาหารก็เช่นกันถึงจะเบคยเดินย่มกลมถึงจะเคยสร่างแตงวะไก่ทักงหมเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเทากับอาศัยเติมสติเขาไปใส่ธรรมว้อมูงศึกของมือเห็นลูข่อยใจ แต่อาหารกั้นนรสเที่ยกันได้กั้นนรสเที่กันเป็นว่าบอกกันว่ากั้นนรสันก็ขาดสติขึ้นก่อนเห็นยังกรเจียวเห็นยังกรเจียวนั่นมันก็เต <seafood> ็มบาทแล้วป้าแบบนมัไม่กินตาหมดวันอง่หมดวันองขู่ไรเอาบมหมดอีกลมมาแตยุกงแุนี้ใส่บาทครับเอาไปเท่ยิมสั่รียมสั่คนเอาบใคร บุคคลย่อมรับเป็นไหนในกินมวดก็ได้ยุ่งจุกก็พราเขาขาดการกำหนดสิ่งใดควรควนบุควลต้องกำหนดถึงสิ่งคว้นก็ต้องกำหนดเสีก่อนต้องพิจารณาแล้วเอาของพิจารณาแล้วเสียของพิจารณาแล้วเก็บของพิจารณา้วบรรเท่าของพิจารณาแล้วอดกั้นของนี่แหละของที่เสียเอาแต่ท่านบ่ได้ไดเทากันเพราะท่านก็ขาดบริบทเรื่ย กายที่เรื่องสติมันจะไม่ยางจงกลมมันมันจะมาสั่งจังหวะย่างเดียวมันทุกอิริยบทเคลื่อนไปไปใส่มาใส่เข้ากัติดตามอยู่ตลอดเป็นมาปฏิบัติท่านเห็กันก็ต่อกันขึ้นโลกโศว่าูจะโศว่าหรอกโศคลามสมมติว่าไม่โศจะใครเห็นสมัยก่อนคลามลามหมูลามหมูลาหมาหมาแต่เดีมันมันรุ่ มันให้แล้วก็เอาโศคล่องไลยยิ่งลรมก็ยิ่งดูได้มานรำโศกเต้นเตล่เทียร์โศขาดก็นมิว้วเนี่ยเนี่ยอันนั้ น, น<ม>ก่อกันทั้งท่านละก่อจอนเนื่องกันไปกันไปตักอาหารเข่าห้องน้ำเวลาสีนอนก็ต้องเอาสติเข้าไปใส่เมดนี่คือการฝึกเอน า, านว่าให้มันสีพญาอย่างเงยงเงี้ยงเงี้ยงสองช่วมงสามช่โมงบอแมนถึงสั่น มันหลายกว่านั้นตลอดไม่ว่าสิอยู่จังไดรก็สั่งไม่ใช่นั่งฟังเทศกับเพื่อนจะต้องกำหนดกั้นนดสั่งชั้นวะวะได้กั้นนัดลมหายใจก็ได้เข่าออกสัมผัสได้ขึ้นกันกั้นนัดลูล่ลกไมใ้ใจเข่าออกหายใจเข่าเขาบลได้ว่าพุทธหายใจออกบลได้ว่าโทษเขาลู่ซื้ออลู่สัมผัสซื่อ รู้สึกคุมีเอาสติเขาไปหลูตามหลุดได้แต่ถือว่าใส่ได้ค่วกัน mm hmm. ยังลงกู่เทียนมันอ่ะคืนน้ำลายต้องไปล่ำข้อหายใจอาบปากคืนน้ำลายกระพริบตา mm hmm. พุ่นพุ่นบอก mm hmm. เขาไปเห็นมั้งเป็นตัวไม่ได้เงียวน่อ mm hmm. ขอโทษไม่ได้ขี่ข่้กัน mm hmm. แต่ไม่ก็มีความูลสึกกนหมดเปิดตัวเพราะว่าเ อ, อาอวัยวะร่างกายของมัน ไทยเท่อยู่ตลอดมันเป็นเฉพาะวันศีกมันอยู่สื่อนี่เปลี่ยนอยู่ตลอดไหลอยู่ตลอดร่างกายห้องมันเป็นอนิตจังอยู่แล้วเปลีออ่ยนนังโดนกรเฮียออกเฮียขี้แรออกผลเป็นยังไงบุ๊คเหนียวกันแล้วเพราะว่ามันออกออกเอยไหอลออกเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยสิ้นไปเรลยหายไปเรื่อยด้วย ม, มันมีเน่ามีด้คนห้องมันมีเน่ามีดมีแต่เน่าหมด ยังพวกคนยัย ไ, ไม่ยัยห่อนอยู่มาในหลายปีแล้วได้จากปีนในใ่สดในยัยเจ็ดสิบปีมันบ่ได้เลยันเมิดไปแล้วเจ็ดสิบปีช่วงชีวิตสิ่ยั่งอยู่ต่อไปมันหน่อยขึ้นแล้วแปดสิบปีก็ใกล้เข้าไปแล้วเมิดเข้าไปมันไม่ได้สิ่นได้เสื่อมดิได้สูญออกไปเดิผมเหมือนกันแหละล้นออกไปเรื่อยนักคนหน่หัวข อ, ขอถดอดหัวจนหลับมันเมิดไปหัว เพราะอีอย่างเพราะว่ามันมันมั น, มนหมดมันเสียมัมนสิ้นอีเพืเ่อจะให้ก้อนดไปขึ้กันไวของเฮาอยู่ในลักษณะจึงไดพระเน้นเฮาขึ้ขกันผู้เฒ่าคนอยู่จึงใดคนนมคนเห็ดจึงไดลูกเน้นคนท่ำต น, นจึงไดเจา้าคือเหมาะสมคนเนี่ยคนใเบื้องนันพุ่ได้หรือให้ลูจากเผาลูจากพักกพนของจากของแม่นผู้เฒ่ากั เห็นสาวสยยิม้มเปเปมเมนตัสัส่นสันคเรามโหจักไวเป็นคนเ่มีสติเห็นผู้สาวยิ้ ม, มแต่งมเมนตกับเบิ้งไดคือกันสั่นพลยหูจักมาจะเริ่มสติละหูเห็นตามค้อมเป็นจริงมันเปลี่ยนแต่งอยู่ตลอดหลางกกยเขา้เขาเาสังเกตได้เขาก้มรถได้ ก, ก็ถือว่าเป็นการจะเริ่มสติเป็นการปฏิบัติธรรม ไ ป, ไ, ปได้ตัวไม่ยอะบ้างก็เห็นได้เมื่อไรมีเวลาเมื่ไม่ีเวลามาเดินในกรมจังหวัดเม่ไม่ีเวลามาสักจังหวัดจังหวัดท่างเกาหลีบ้านก็ได้เพราะว่าล่างไก่ห้องมันประกอบกันกับงานการปฏิบัติธรรมคือการคือการทำงานก็ได้การปฏิบัติธรรมคือเขาห้องน้าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเดินในกรมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมไม่พ้มรู้สึกกติพือว่าปฏิบัติธรรมเขาถูเดีทือว่าเดินนืสัยก็ได้ เขบอันเาาจะพมรู้สึกฉันเขาวาตามมันเดี๋ยปั๊บ๊บป๊บะเทศก็ยกมือก็หาไว้อโดยที่บ่มีควมรู้สึก่มีควมก็ตือรือหลนเฮ็ดเปื่อๆเรื่อยเฮ็ดเปื่อไปที่เธอจะของปฏิบัติถ้ำก็ว่าถูกถือว่าเฮ็ดซื้อๆยางซื้อๆกันเลยเข้ามาซื้อๆเนียข้ามาใหมนี่เข้ามาซื้อๆเข้ามาซื้อๆกัแห่งนีมีคว่มรู้สึกขูเมีย อยู่ก hey, you know no no ับการเคลื่อนการไปซื้อๆเขามาซื้อๆโมแมนเดินไปใจไรเดินไปโดยโบมีกำหนดเดินไปทันให้เดินซื้อเดิซื้อแล้วโมแมนได้โบถูกด้วยของคนว่าคนเทศคนว่าให้เดินซื้อๆเข้ามาซื้อๆหมายถึงว่าลู่มาตรงๆได้การในไก่ในใจเท่านี้หู้มาบังมื้อมื้อมันเคลื่อนเขาหู้มาบองนี้เนี่ยหันทำไมนี่แต่ในหู้ซื้อๆคอนโดไปซื้อได้บ้านนี้ไปละบ้านนี้ เดี๋ยวโยกบวมโยผีหรอโยวัดเท่าคิดทอดโลกพนหลานคิดทอดมูหอดพวกคิดทอดทีทำงานตัดลงปูลงกาคิดทอดวัดจังหัดตะมากคิดทอดวัดเป็นแล้ววัดดยู่ไงเนาหนาแร่งไส้แห้งแห้ง้าไส้ใหม่นั่นก็โอ๊ยคลาสะกุฏิพุหล้วมันไปขึ้นเล้แต่ว่าโตหังยางพี่ห้อยางโยวัดเท่าเบี้ยนี่หละพเฮ็ดโบซือคือมันโบตรงการปฏิบัติท่านคือตรงข้าไปรลด ต้องเข้าไปซื้อๆเลยซื้อๆที่อย่างไรคืออยู่กับปัจจุบันการเคื่อกนกันไปกันไปกันมายืนมองนี่สัมผัสี่หมองนี่เห็นยืหมองนี่ถึงมันจะออกไปเขาก็ดึงเขมาม่าแต่ล่มอมเขาม่าดึงเขมาม่าเสาขมา่าเห็นไม่เห็นใกล้ๆเห็นที่ละขณะที่ละขณะที่ละขณะเคลื่อนที่ละขณะไว้รู้เห็นรู้เห็นเข้อยใจนะสัมผัสบเ บ, ๆบาๆไม่ต้องไม่แข่งเถือนอย่างนั้น มคิดก็สร้างหัวมันนั่นอยู่อย่าคิดทอดบ้านกับมึงคิดไปสร้างควอมลูแข่งกับควมคิดวันนี้หลวงพ่อคนบอกสร้างควอมลู่ข้อมหัวซึ้งคุณแม่แข่งกับข้มคิดขันควมคิดมันไหลข้ไปนันข้อมคิดลอยยังขันพูดในกำลังไหลไปนั่นพูดนั่นอัตมาเคยเคยดึงหนังสมัยก่อนดึงหนังกันนี่ย่ำสงการนั่งย่มเน่าเดือดแจ้งดึงหนังกันนี่ ขันู้อะเหี้ยเขา ก, กรล่าไปเนาะคังละสามเขาดึงไปหลดเป็นหมูเขาหมดเลยเนี่ยขันมันพอกันนั่นกับ้ํากันจะเนี่ยขัังขันงขันธังนั่นแล้วเนี่ยควมคิดเท่าเท่ากันขันมันหลเท่าก็ไปน้ามันคิดสับสนบวชไหวคิดทอนบั้นก็ไปน้ำบั้นคิดทอนหลานกับไปน้าหลา น, ท, ล น, ท, ท, นทุกเทเลวันนี้ทุกทนทุกพอควมคิดเทลวั คิดภาพพูดได้ก็ทุกนั่นพนันวิตกังวลขนาดนั้นเท่าแม่คือกันเลยมาให้นดึงให้มันไลยดึงให้มเขังมหาเนือหายคิงขวนเคลื่อนขวนคือสติน่ะดึงกับมหาเนือหายคิงของเจ้าของดึงกับมหากายการเคลื่อนไหวดึงกับมหาใจใจก็บหูซึกหูเมียอยู่ตลอดนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เป็นเรื่องอื่นเลยไม่น่ะไปอ่านหนังสือ เพาอเป็นแบบนั้นไปอันคือเพาะตำราเขาเขียนเข้าเดินเจ้ากรมให้มันเพาะสั่งเส้นวะให้มันเพาะเพาะลูกพ่อน้ำเพ่อกายพาะใจส่วนตัวสู่มันตัวชีวิตคือการต่อสู้คันตัสู้ก็ถอยหลังถอยหลังก็แพ้เขาส่นตัวปฏิบัติทำไปปฏิบัติโอ้ยเมื่อยเวยเมื่อยผ่อนนั่งสัมบริกรรมนดเน๊ โอ้ยปวดเหียวเว้ย oui ไ, ไปจ่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <reinforce> ปุ๊ข่าวหาแจ๊กเหงียวมวเหงียวปิตุ๊กตุ mm ๊ก hmm. คึกเที่ยวออกเที่ยวเขามีปัจฉนาเหงียวมีปัจฉนาเขาหางหน้ามีปัจฉนาหอบสะครูบาอาจารย์เนี่ยครัมีปัปัจฉนาหาลูกน้องลูกน้องหายนั่มหาอ้ยอาตมาว่าหาพื่ออะไร แต่ไปหาของยังบวพอบไหมที่นั่งหาหัออาวหนุ่มนบอไปใสก็ะต่ายหวัวเรวไปกวมบัตรมาเนี่ยใบว2ญสิบคนมันเป็นไงเอาที่แทกบับว่าถึงยี่สิบได้ปะสิบกว่าคนหนึ่งบอกไปหาอยากมากมามากันมากมากๆก็สร้างเราเนาะที่พ น, นันหากนารขั้วขั้วเขาพนันหนูสุดท้ายเราคอยน้าหาอย่างนี้เลยว่าล่ะคอยบอกน้ำหมูเนอก หายวะหายกระซังเลยเ ว, ว้ยขุนใหญ่จังหวัพอกันบอตือนเส้นมันยง น, นีมีแบบที่ไปหาเพือะไหาจ้าของมันยังบอกุดเกบัวทั่วอยู่เห็นได้หลงพอ่อคนคู่บ่ า, า, จายจัดมันนาหา้ยงน้องให้คดีมีกิตเมตตายัางว่าลงพ่อดีเนาะดีขึ้นกันมันละบอไปหา็ดีขึ้นกันนั่นแหละหนนมันจะไปเลยมีภาระมันบ่น่ายก็ยิ่งดีไหล โมมีเป็นเสงสบายสมันเดี๋ยวที่คมพูดเยอะสบบ่ได้บ่ได้คุยบ่ได้ยังเงีดีดีมดเนี่ยเข้าเพื่ออลายมาดีมาสมานสามัคคีปฏิบัติธรรมให้ในหลวงเข้าตัวปีนี้ไหมในหลวงขบหลอกพกหลอกเจ็ดสิบสองปีดีดีดีดีนี่อีกคือการปฏิบัติธรรม ขันปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะค่อยหายออกหายออกข่มง่วงสู่มันในแถมันก็ยากน่าคุยกันขันบสู่มันก็ถอยมันเอยว่าจะบรรยัติมาแต่ข้อยันมันเอยมันก็นมาขันและตีข้อขันและคือไกลนึนแล้วไกลขึ้นต่อขันยานเขาเคลื่อนอะไรสั่เลยไกลแก่ข้อในใจวัดปาของขาวขนขันตัวไดยาน <Mr>. อันตัวได้ย่านเขานอะอันตัวได้แพร่ไร่ได้ปบะเนี่ยให้เข้าใจได้คำว่าแพร่ก kind of ับก <In> ับย่านแพร่ก uh ับย่านให้เข้าใจแพร่ขึ้นยังไงย่านขึ้นยังไดมันคือภาษาถายกลางไงแต่ถ้าภาคากลางปล่อยอะไรลงไปฝุกนับนับหนึ่งสองสามสี่เอาเขียวิษอันไหนเป็นผู้แพ้แต่ภาษาพื้นบ้านทางโบรามัพทนผู้แพ้ คือผู้ชนะแล้วเนะผู้ยานหนึ่งคือคือคผู้แพ้มันกลับกันเข้าใจง่ายั้นแพ้ใครจะได้แพ้เขาใครจดยแพ้เขานี่ยไล่เขาแล้วตัวยานก็แล่นหนีนี่เข้าด้วกันแล้วเราเอาให้มันได้แพ้คว่ำง่วงห น, งนาานอนให้มันได้ศึกาผัดจามชนะให้มันได ภาษาระหว่าแพะแพะไม่ต้งว่าผู้ชนะย่ันไม่ต้องว่าผู้แพ้นี่เป็นสักนี่ภาษานี่ก็ใส่กับือกัยาบกู่เด้เนี่ยเขาบองท่าย่ายันนมื่อไหน่ไม่ต้องไม่องไรอย่างตัวคว่มงวงนอนคือกันกึ่งตาขึ่งขาใช้มันหลดยางสู่มันหลดย่างเต้ยางเตันกับคว่ม่วงก็จะหายอ้อหายออกมันอ่อนคือกันไม่คว่ำงวงอ่อนกำลังคือกันเขาก็ตัดกำลังมันเถื่อน ต, ต, ต่มันตายกำลังเทาไรเทากัแพลมันอยากมันนอนสับนอนหลักลาโอ้ยจิงไ น, ก, น, น, น, งนก่อนอนจิงไนกว่าหลวงพอ่อนอนอย่านี้เอาขยับเขากั น, ขขนมเสื้อถือง่วงยังคนสิเลิศเลกิแล้วลข้างกินเข่าแล้วเบ่งเบงเบ่่วงง่างง่วงงา ง, ง, ง, ง, างทึงตัวเขาแถวตาขออ่้าโอ้ตา ข, ข้อยาวสิเอาขัขกับหลวงพ่อเลย แต่เขาแล้วหม้ออาหารงวงเนี่ยเขาจะไปพัดจังส่นพัดร่อนประกันพุงไว้เลสู้มันตรงๆรงไปหลดสู้ได้เขาเป็นผู้ชนะสู้ไว้ไหนเขาเป็นผู้ย่ามเขาแพ้เขามันมาไปบอกตามภาษาอกลางคนเราแพ้คือผู้ย่านชนะคือผู้ชนะนี่นภาษาบานเขาว่าแพ้คือผู้ชนะเนี่ย ขณะนีการปฏิบ er ัติธรรมจึงมีอุปสรรคขันโมีอุปสรรคมันก็คือผู้ไดก็จะห่วงยังบทเห็ตัวบทต่างๆปฏิบัติบันยากแล้วันบ่ขันมีอุปสรรคการเลี้ยนมันก็เป็นเรื่องลําบากเป็นธรรมดามามีอันใดส่สิง่ายจนบ่บ่เหติยิ่งไม่มีแนวไงไม่มีแนวใดจังใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้กันแล้วถิมเอาจังใจอันใดก็ชี้ติดได้จิงได้อยู่ได้ โอ้ยลวงพ่อจะเลยธรรมะมันเป็นไงเนาะธรรมะมันก็อะไรเลนี่หละคำว่าอยากเข้าใจได้ผู้บายอาจารย์มันบอกอยากได้อยากเฮ็ดซื่อๆวันมาเข้าก็อยากอยากได้ไปเข้ามาเฮ็ดเด้คิดอยากซื่อๆวันมาเกิดเลยเพิ่นไหนทำกันอยากทำหรือว่ามีปัญหาอยากทำอยากเดินชงกรมอยากสั่งจังหวะอยากสู่มันนี่โไม่มีปัญหายากโลดมี่ข้อหมายข้อหมายของเพิ่น คุณว่าเข้า ม, มาทนเราบให้ย อ, อยากไหมนึกว่าบให้ยคิดไม่คิดอยากคันคิดอยากก็คือนี่จะอยากด่ายนี่จอยากถามหลวงพ่อลูกเป็นยังไงน้ำเป็นยังไอหลวงปู่ลูกเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงการหายใจถ้ามาคอยจะเบื่อใจนี่แหละพนันอยากนี่จะถามอยากถามคิดเออคือคันอยากท่านมัอนท่านไปหลดสันทะคว่พ่อใจรักไข่ในสิ่งนั้น จริงได้กระสางที่เขาเหตุเขามาอู่่นีเขาหลักใข่ในการปฏิบัติมีค้มลหลักในการปฏิบัติหลักในการดนจมกลมหลักในการสั่งจังหวะหลักมูหลักพวกเพราะมันหลักขโมยเลยหลักปฏิบัติหลักมันก็พอหลักกลุ่มแม่หลัก